เจสังขิตตปาติโมกขุทเทสาติว่าด้วยการยกปาติโมกข์แสดงโดยย่อเป็นต้นเรื่องประเภทแห่งปาติโมกขุเทสข้อหนึราครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความสงสัยว่าการยกปาติโมกข์แสดงมีเท่าไรหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายการยกปาติโมกข์แสดงนี้มี แบบคือ 1. พภิกษุยกนิทานขึ้นแสดงจบแล้วพึ่งสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นการยกปาติโมกแบบที่1 2. ยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสีขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสตบทนี้เป็นการยกปาติโมกแบบที่สองสายกนิทานขึ้นแสดงยกปาติโมกสีขึ้นแสดง ยกสังฆาธิเศษสิบสาขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นการยกปฏิโมกแบบที่3 4. ยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิก4ขึ้นแสดงยกสังฆาธิเศษสิบสาขึ้นแสดงยกอนิยตสองขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นการยกปาติโมกแบบที่4 5. ยกขึ้นแสดงโดยพิสดารทั้งหมด นี้เป็นการยกปาธิโมกขึ้นแสดงแบบที่หภิกษุทั้งหลายการยกปาธิโมกขึ้นแสดงมี5แบบเหล่านี้แล